บุ๊ทูสามสิบเจ็ดตริซเซตเซียมระหว่างเดินทางอุดารูซเขาขับรถจักรยานยนต์ยุนเยจิยนอามาตโซิลียมเขาขี่จักรยาน Ён едет на велосипеде. к а у д э н Ён идет п е х о т о й к а у пайдой рёяй. Ён п л ы в е на корабли. к а у пайдой рёа. Ён п л ы в е на лодцы. к а у вай н а м Ён п л ы в е ที่นี่อันตรายไหมคะทูนิเบส п พชนะการโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะพยึตตุปมณมุมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนเพชนะเราหลงทางมือจะเยอะคลินุด เรามาผิดทางมื่อยพระวลเคเราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม้ำตรบปาวรชวจนาจัจอดรถได้ที่ไหนคะจุมนปปเปกาบที่นี่มีที่จอดรถไหมคะจียูสตุด с т ตยันก ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไรคะนกชาุหปร่คะกคุณเล่นสกีไหมคะคุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ ที м ожна тут узять лыжи напрокат?